ท่านสาธุชนพุรบริษัทต่างหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็คงมาพบกันในเรื่องราวของมโหสถเรื่องคราวที่แล้วมาโตมาหยุดลงตรงที่พระเจ้าวิเทหราชซึ่งมีความกระยิบยิ้มเยาในประเทศไทยเพราะว่าก็พอดีทอดเปรตเหิงเจวัดเดินเข้ามา เฝ้าอยู่เฉพาะน้าตะนนี้คิดว่าอยากจะได้เมียสาวเจเลต้าท่านอาจารย์เกวัะท่านอาจารย์ไปพบมโหสถแล้วหรือมโมฮสถ์ดได้พูดจายอย่างไรกับท่านบ้างแล้วก็คงโหฮสต์ีก ร, รมให้สึ่งกันและกันกระมังมโหสถ์ชอบใจข่าวที่ท่านนำมาหรืเปล่า แต่ถ้าว่าอาจารย์เจวัติกรารทุนว่าขอเดชะถ้ายาไม่คนกลาน่าวคนยาโมโหสถไม่ควรรับว่าเป็นบัณฑิตเพราะว่ามโหสถเป็นคนถอยเป็นคนกระด้างข้าพระพุทธเจ้าไปถึงบ้านไปหาถึงบ้านแต่มโหสถก็ไม่พูดกับข้าพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ที่นั่งก็ไม่มีให้ ไม่มีการต้อนรับไม่มีการปราศัยไม่มีการทำทำเป็นเหมือนคนใบ้แล้วทาเป็นเหมือนคนโขนหนวกคนยาโมโหสถนี้ไม่ควรอยู่ในที่ตาแหน่งอ ม, มีเกียตรติสูงสูงอย่างนี้เลยพระเจ้าค่าว่าตอนนี้บรรดาลูกหลานที่รักคอยสงสัย ว, ว่าทาไมมโหสถจริงทําอย่างนั้น แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราว่าเจวัตไม่ได้มีเจตนาดีมาสําหรับพระเจ้าวิเทหราชเมื่อเขาจดมีความเข้าใจว่าเขาตั้งกลนลัวบางแย่ฆ่าพระเจ้าวิเทหราชแาละบริลาแห่งการโทษในการบางครั้งบางทีวเราอาจจะรู้ว่าเขาจะมาหลอกเพื่อทําลายชีวิตหรือทําลายทรัพย์สินของเรา แต่เราอาจจะต้องทำดีก็ได้ทั <c oughs> ้าในการบางคราวอาจจะต้องทำอย่างมโหสถก็ได้อั่งนี้ก็ขอบรรดาลูกหลานนั่นหลายต้องใช้ดุลยพินิษให้ดีอย่าคิดว่าคนนี้ก็มาเพื่ความหวังตั้งใจว่าจะเป็นศัตรูเราก็มุ่งหน้าคิดว่าเขาเป็นศัตรูแล้วก็หวังในการทำลายเขาเสมอไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกัน เป็นอนว่าการจะทำอะไรก็ตามต้องพยายามใช้ปัญญาพิจารณาเสีก่อนว่าอะไรควรไม่ควรต่ระหว่างเกวักมฮโสดนี้เป็นเรื่องของบัณฑิตต่อบัณฑิตเพราะเขารู้ลีลาซึ่งกันและกัน <c oughs> ไม่มีความเข้าใจว่าถ้าจะพูดดีกันมันก็ไม่เป็นประโยชน์แไหนจะต้องประกาศสงครามกันแล้วก็ว่ากันด้วยปัญญาเลยทีเดียว ว่าใครจดีกว่ากัน <c oughs> การคบคนนี้ก็มีความสําคัญวันนี้คอไม่ดีลูกหลานที่รัก <c oughs> คนแก่มันเป็นอย่างนี้เป็นอนุวาลูกหลานทุกคนจงจำพระพุทธภาสิทไว้ว่าอาเสวนนาจะพารานางปันดิตานรนจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเเยยังเอตมังขมุตตมัง พระพุทธเจ้ากล่าวว่าหนึ่งจงอย่าคบคนพาลเพราะว่าคนพาลคนเลวนี่จะพาเราเป็นคนชั่วจงคบแต่บัณฑิตคือคนดีคนดีนี่จะพาเรามีสุข <c oughs> จงบูชาบุคคลนี่คนบูชาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือ หมายความว่าถ้าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการบูชาในที่นี้สมายความเข า, าปฏิบัติดีตามฟังเรื่องราวก็มาขอสดต่อไปวันนี้ก็ขอต่อที่ค้างไว้ว่าเมื่อพระเจ้าวิเทียร่าตืทรงฟังคาําของพระอาจารย์กีวัดก็ไม่ได้ทรงแสดงความพอพระไทยหรือว่าไม่พอพระไทยตัวอย่างไรทรงเฉย นี่ความเป็นผู้ใหญ่เขาต้องทําอย่างนี้เพราะว่าพระเจ้าวิเทหราชรู้ลีลาของมโหสถดีว่าเป็นคนชลาสิ้นแล้วเกลิโผรดรับสั่งให้จัดหาที่พักและอาหารให้พระอาจารย์เกีวัตให้สมเกียรติในฐานะที่มาเป็นโทษร้อนธัมมดาข้าราชการที่มาด้วยเกยวัตเข้า อ, อยู่พอทุคกคนก็กราบทูลลากลับไปที่พัก ซึง่งทรงพร่งที่พระเจ้าวิเทหราชทรงจับไปให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทำอว่ามโหสถเป็นผู้ชัดเ จ, จนในการปฏิสันฐานนี่ต้องใช้ปัญญาอย่างนี้นะูกหล่าที่รักต่อไปถ้าเป็นผู้ใหญ่จะต้องปกครองคน เมื่อฟังคำใครเข้ามาฟ้องไครและกอดเอียเพื่อแสดงออกจงคิดว่าผู้ถูกฟ้องเป็นผู้บริสุทธิ์ไปก่อนจงใช้ปัญญาจะไปยางพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงนนยมหรืว่ามโหสถเป็นผู้จัดเจนในการปฏิสันฐานแล้วก็เคารพต่อการปฏิสันฐานคำว่าปฏิสันฐานนีประการต้อนรับ การนีเจวัดมาบอกเราบอกว่าไม่ได้รับการปฏิสันฐานเพราะว่าไม่ได้รับการต้อนรับจะมาโหสดเลยนั่นอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าโหสดเป็นคนมีเหตุมีผล <c oughs> และเป็นคนเห็นกังไกลอาจจะนึกว่าเป็นคนอุบายขอยงเจวัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่จะไม่ดีนะ <c oughs> ลูกหลานทุกคนจะเป็นผู้ใหญ่ด้เป็นเด็กก็ตามสาหรับมันสมองนี่ไม่แน่นักไม่แน่ว่ามันสมองของคนที่แก่กว่าจะดีกว่าเรา <c oughs> แต่ว่าก็จงคิดไว้เสมอว่าคนทุกคนเขามีความดีเมื่อฟังคำพูดของเขาอย่าเพิ่งติแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อให้เหตุผลพิจารณาพิสูจน์ความจริงเสก่อน จงอย่าถูกดูถูกคนแก่ว่าข้ามคืดจนเกินไปแล้วก็จงอย่ายกย่องคนแก่ว่าเป็นผู้เลวจงเกินไปเหมือนกันเอาเหตุเอาผลเอาผลงานเป็นสำคัญดูตัวอย่างนักการเมืองของเราเป็นสำคัญเวลามาหาเสียงเขาบอกว่าอทําทำดีแต่พอเขามานั่งในสภาหลายคนเป็นคนดี แต่หลายคนก็ดึงความเจริญของชาติตามภาษิตบราณก็ต้งบอกว่าเจ็บจำจนเจียมทำจริงนิ่งดีถ้าเราเลือกใครก็เป็นผู้แทนและสันดรเห็นว่าเขาเลวหาประโยชน์ส่วนตนเขาบอกว่ามาเป็นพู้เขาต้องการจะเป็นผู้แทยของเราแต่พอเข้าสภาอยากเป็นรัฐมนตรี อยากมีตำแหน่งอย่างนั้นอยากจะมีตำแหน่งอย่างนี้อยากจะมีอภิสิทธิคนประเภทนี้คราวหลังจงอย่าเลือกเขาไป <c oughs> แต่ด้าบมาเอิองเขาอยู่เฉยๆคนอื่นเลือกเขาเข้าไปเป็ น, น ร, ร, รัฐมนตรีนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ทราบว่าเขาหาเสียงเขาแย่งเป็ น, นรัฐมนตรีอย่างนี้สนแสดงว่าเขาเลว <c oughs> นี่เป็นเรื่องของเรา เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่เป็นภาษีก่อนที่จจ่ายเป็นค่าเงินเดือนจ่ายค่าพานะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าประชุมเราต้องเสียนี่เป็นอะเจ็บแล้วก็จำจ ำ, จำไว้ไม่เลือกต่อไปจนเกรียมไหมความมาถ่าเราจนเราก็จะรู้รู้สึกตนว่าเรามีฐานะแค่ไหนใช้จ่ายพอสมควรกับฐานะจะมีความสุข ทจริงหมายการจะทำการงานทุกอย่างที่ ร, รับผิดชอบเราต้องทำด้วยความจริงใจได้เต็มความสามารถและก็นิ่งดีหมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามท่าไปที่ไม่พอใจของเราไม่ถึงวาระที่เราจะพูดนิ่งไว้ก่อนถ้ายังไม่ถึงเหตุไม่ถึงผลยังไม่รู้จริงย่าเพิ่งโง่อยู่ไอ้อโง่ว้ตุ่มตามเขาจะหาว่าเราเป็นคนไร้สติสัมชัญญะ ถ้ามาคุยกันต่อไปเป็นอนุว่าเมื่อพระเจ้าวิเทราคิดดัมมิตั น, นั้นแล้วเป็นั้นว่าก็คิดว่าความคิดของมโหสถนี่มีความลึกซึ้งมากยากที่บุคคลอื่นจะรู้ถึงได้อันหนึ่งมโหสถอา จ, จีเห็นุว่าไปว่าเกวัตคงจะมาเล่าโลมด้วยกา ม, มาคุณนี่ท้าจะมีปัญญาพระราชาไม่ใช่โง่ เขาไม่เชิญคนโง่มาเป็นพระราชาเอาความสัมพันธ์ไมตรีขึ้นมาบางหน้าหากเรายอมทำพิธีอภิเษกสมรสในเมืองของเขาเขาว่าอาจจะเก็บตัวเราไว้ก็ได้หรือว่าอยากฆ่าเราเสียตายก็ได้มโหสถคงจะเห็นเหตุ น, นี้อันจะเพิ่งเกิดใจเราขายหน้าก็เป็นไปได้ นี่ต้องถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใช้มันสมองอย่างพระเจ้าวิเทหราชไม่ใช่ว่าใครรายงานเข้ามาแล้วก็ยอมรับเพราะว่าคนนั้นดีคนนี้เลวแล้วก็ยอมรับทุกอย่างอันนี้ไม่ถูกจำไว้นะแล้วยื่งทรงดริดังเมื่อทรงดำริดังนั้นแล้วก็รู้สึกมีความหวัดหวั่นสะทาย คิดว่าไอายาอ่อนที่จะกินเข้าไปนี่น่ากลัวจะมียาพิษ <c oughs> ควายแก่กินหญ้าอ่อนสรงเมรทัพนั่งมือแล้วก็มองทำในตาลอยพออาจารย์เนั่ยสี่คนคือเซนนกปกคุสะกามินแล้วก็เทวินข้ามาเป้าจนรับสั่งถามเซนนกว่าท่านอาจารย์เซนก ท่านได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าจุล น, นีจะทรงยกพระรชิติดาให้เราท่านได้ส่งเกวัตมาเทาเพื่อกำหนดวั น, นวิวาเพื่อไปรับพระรจิธิดามาหรือเปล่าอาจารย์เสซนโนกราทรทวนว่าได้ทราบแล้วพระเจ้าข่าพระราชาริตรถามว่าถ้าอาจารย์ท่านอาจารย์เห็นว่าอย่างไรเราควรจะไปรับนางมาหรือว่าไม่ควรเนี่ ฟังดดีนะการใช้ปัญญาอาจา ร, รย์เสนอกันในกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจา้าเห็นในการสุคนอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะซีริเมื่อมาถึงพระองค์แล้วอย่าได้ให้ลอยไปเสเลยหหกพระองค์เสนจไปกรุงปัญจาละก็จะได้พระราชธิดามาเจ้าศาสดาจะในแยจกนในชมพูทวีปยก พระองค์เสียพระองค์เดียวเจียหาคนใดเสมอพระเจ้าจุนนีธรรมทัตแห่งปัญจารณนครไม่มีแล้วการที่ได้พระราชิดาเขาว่าเจ้าจุนนีมาเป็นมเหสีของพระองค์เป็นการของคนอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะนี่เป็นอันว่าเจ้าเท่าหัวงูเจ้าคนอดรู้จอมสนพัทสน ไม่ได้คิดว่าศัตรูที่ไหนจะมาเป็นมิตร <c oughs> มีสภาพมันก็ว่าปลาที่อดอยากเอ็นข้าวเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ดก็คิดว่าจะมีรสอร่อยเมื่อไปกินเหยื่อข้าวก็ติดเบ็ดในที่สุดชีวิตของคนต้องก็ตายคนไม่อดรู้แบบนี้ลูกหลานที่รักในประเทศไทยข ร, รายังมีอยู่อย่างที่เขาร่างรัฐธรรมนูนกัน รัตเตธรมนูนไม่ทันยกแคลอดมึงคนดา่ า, งงดาว่าอย่างนั้นมองคนด่าว่าอย่างนี้รัตตุนนุนฉบับหมาเมินบ้างอะไรบ้างพวกนี้เป็นต้นยางเกวัเนี่ยเหมือนกันจัดว่าเป็นคนที่มีความรู้แต่ว่าไร้ปัญญาฟังเรื่องราวต่อไปชริ ย, ยาอย่างนี้ลูกหลานยาเพึงปฏิบัติตามพระเจ้าวิเทราทรงตัดถามอาจาริสามคน ก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกับเสนอะที่เขาด้ขุนพลอยไปยักขุนหน้าว่ายังไงลูกน้องก็ว่าอย่า ง, ง น, น, นั้นในขณะที่พระราชาทรงรับสั่งอยู่กับอาจารย์ท่าผีนั่นเองเอวัตก็เข้ามาเฝ้ากราบถวายบังคมลากลับไปกลับไปสู่เมืองของตนอันนี้ไปอนุว่าชาวาข้อเรียกว่ามหโหสถถูกกลิ่ โมโหสดบันดิค์เชื่อข่าวาว่าเกวายกลับไปเมืองแล้วกลับไปบ้านเมืองของตนแล้วเกงได้เข้าไปฝ้าพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงรับสั่งถามเช่นเดียวกับที่อาจารย์ธรรมอาจารย์ัสี่แล้วก็ทรงแต่ถามว่าโหสถว่าอาจารย์ัสี่เห็นทุขคนอย่างยิ่งที่จะไปรับพระราชดิณดาของกษัตริย์ในปัญจาลนคร โอ้โหสดคิดดว่าพระเจ้าวิเทหราชทพระราชาของเรามีช่างคล่องอยู่ในกาลมารมมากเสลือเกินนี่สุรานารีพากิกิลาบัตเป็นเหตุเห็ความที่หายไปเห็นความหายยนะการติดสุราเมลัยเกินไปทำให้ฐานะย่อยยับการเจ้าชู้เกินไปทำให้ตัวย่อยยับจะอาจจะตัวจะตายก็ได้ฐานะย่อยับเนะ อาชีการเล่นมาการเล่นการพนันมันติดเลิกไม่ไหวบรรเลยมาหลายคนแล้วกีฬาหมาัดกระไม้นู่นการเล่นการพนันต่างๆทั้งสี่รายการนี้ใครโง่สมมีแต่ความจิ้บหายอย่างเดียวไม่มีความเฉริญเป็นนักบวชขาบอกว่าสกินว่าพระเจ้าวิเทหราชคงนักมากในกามารมคิดอยากจะได้เมียสาวเจ้นนาจคอยแก่หญิงญ้าอ่อน นี่มันจะต้องนอนในโรงผีอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็เขาคิดท่านคิดต่อไปว่าคงจะเชี่ยถ้อยาคำห้อยาจทั้งสี่แลไม่ทรงทราบที่ว่าลีลามายาที่เป็นโทษที่เกวัตมาสแสดงออกนะในการที่จะเชิญให้เสน็จไปนี่เขาตั้งใจจะไปฆ่า คิดว่าถ้าเราจะสแสดงให้เห็นโทษในการเสน็จไปเพื่อให้กรบพระไทยเสียเมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงได้กราบทูลว่าข <c oughs> ้าแต่สมมติเทพขอพระองค์ทรงสงสรา พ, พระเจ้าจนณนีธรรมทัตทรงมีแสนยานุภาพมากทรงมุ่หมายจะจะปลงพระชนของพระองค์ ในความตรงพระชนชิพของพระองค์เหมือนคลานข้าเนื้อด้วยเอานางเนื้อลเลื่อนเลื้อนางนคือในการจับนางเนื้อมาฝึกก็ไแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็นำไปผูกไว้ในที่อุดมสมบูรณ์ด้วยหญ้าและนา้าให้นางเนื้อลอกผงเนื้อเข้ามาเมือ่อผงเนื้อหลงหวังจะลมนางแล้ว มางทีเล่าลมนางเนื้อตามก็พากันมาครานได้ทีก็ยิงเอาแทงเอาจับเอาตามความต้องการ น, นี่ก็คุยเป็นปัญหาไอ้เจ้าจุนนีธรมทัศ์ก็เป็นเหมือนไอ้ครานพระราชชิินดาก็เหมือนกับนางเลยอะเป็นเหยื่อล่อขวัญ น, นะเป็นเหยื่อล่อเกวัดเป็นเหมือนอาวุธ ในมือของใคะธรรมดาปลาที่อยู่ในน้ำลึกราวร้อยวาอยากจะกินขอสดซึ่งเขาทำเป็นเหยื่อแล้วก็ติดเก็ดไว้มันก็ย่อมจะไม่รู้จักความตายของมันชั้นใดข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐพระองค์ทรงประทานนาในกามคุณ ไม่ทรงทราบว่าพระชีวิติดาขวาจ้าชนานีธรรมทัตเป็นเหมือนเหยื่อพระองค์ก็จะเป็นเหมือนปราปราถนาเหยื่อไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเช่นั้นข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐถ้าหากพระองค์ตั้งพระไถยจะเสด็จไปปัญจานาลนครแน่แล้วก็ขอให้ทรงเลิกลาพระราชดำนินั้นเสียเพราะว่าภัยใหญ่จะมาถึงพระองค์ เหมือนภัยมาถึงเนื้อตามพูดตามไม่ว่าเหมือนกับภัยอันตรายที่มาถึงเนื้อพูดตามมาถึงประตูบ้านตอนนี้พระเจ้าวิเทียาราชโคโกแก่ลูกหลานที่รักยาเจะกินยาอ่อนเมื่อฟังคำของท่านบันฑิตโมโหสดอย่างนั้นก็ชักโมโหอทอโส พระเจ้าวิเท迦ราตไม่พอใจในคำกราบทูลของมโหสถอย่างยิ่งทรงพระรรรวิโรธโกรธขิวโกรธาโกรธว่ามหดโหสถดูห ม, มิ่นพระองค์ว่าเป็นคนโง่เปรียบพระองค์เป็นเหมือนเรืองโง่บ้างเหมือนปลาที่ติดเบ็ดบ้างเป็นเหมือนเลื้อติดตามเข้าถึงไปถึงประตูบ้านบ้างยิ่งรับสั่งขึ้นด้วยความคืบ ว, ว่ามโหสถ ทำไมเธอยังพูดกับเราอย่างนี้นี่มันเป็นการดูถูกตัวึ่งกันเกินไปเราหรือนั่นแเราหรือพูดแต่สิ่งที่จเจริญเป็นมงคลแก่ตัวนี่เราจะได้เมียนะเราต้องการอแต่ว่าท่านท่านที่กลับพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่ตัวเราท่านไม่รู้จักกิจก็เจ้าไม่รู้จักกิตที่เป็นมงคล นั่นหลเป็นมงคลไม่จะเป็นมงคลและมงคลเจ้าไม่รู้จักจิตที่เป็นมงคลของษัชศัพ์คนอื่นๆเช่นอาจารย์เกวัตอาจารย์เสนกเป็นต้นรู้จักความเจริญและสิ่งที่เป็นมงคลของกษัตริย์ทําไมเจ้าไม่รู้จักอะไรเชเลยโอโหโมโหมากโมมากมากิ้วกิ้วเมื่อารมณ์อย่างนี้ลูกหลานที่รัก ถ้าบาังเอิญเราคิดว่ า, าจะทำอะไรมีเพื่อนหลายๆคนเขาบอกว่าดีแต่มีเพื่อนบางคนเขามาค้านคำหนึ่งก็อย่าจงอย่ากโรากรธอย่างพระเจ้าวิเทหราชถามเหตุถามผลของเขาเสก่อนเราจรึงจะเป็นคนดีได้ถ้าคุยกันต่อไปเพราะพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์แัดบริภาทคือว่ามโหสถ ด้พระ เ, เสียงอันดังนะเคชียดแค้นยังไม่หนำพระไทยยังไม่เต็มใจไม่หนำพระไทยนะคิดว่ามโมโหสถนี่เป็นอันตรายแกสิมงคลของเราจรึงรับสางให้ราชบรลุตจงนํามมโมโหสถออกไปเดี๋ยวนี้ลา ย, าย่อยโอ้โหเอาจริงๆนะเ อ, เอาหนักเาหนักตอนนี้ท่านกล่าวว่านกแก้วสืบความรับ อยากนานลกสาลิกามีบทบาทในการล็อกนี่มันต้องมีบทกาบาทการเจ้าชู้กันอยู่ด้วยถ้ารอได้ผู้หญิงเข้ามาแล้วก็เสร็จอย่างประเทศของเรานี่คนที่มีความสําคัญของประเทศถ้ามีความเม่าเมานิสตรีมีความโลละสายฝันในกามารมประเทศก็พังจะไม่ดีนะ รานารีฮาชีจีลามัดเป็นจุดถึงความหายยะนะของบุคคลที่จะควรจเริญนเป็นอนวอดดุวาโมโหสดรู้ว่าพระราช า, าพระพุทธเจ้าเทยราสองพระอยู่ก็ไม่รอที่จะให้ราชวรสมาไล่จับจึงรีบกราถวายบังคมลาพระราชาออกไปลุกออกจาก ที่นั่งกลับไปบ้านไปถึงบ้านแล้วเจริญพึงอยู่แต่คนเดียวว่าราชาของเราเนี่ยช่างไม่ทราบเพียงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่พระองค์ฮที่เลยมึ่งแต่จะทรงหวังพระราชีวินดาเสียอ่อนข้าพเ จ, าจนาน้าจริญพึงธรมทัตเท่านั้นไม่ทรงทราบเพีงภัยที่จะมาถึงเมื่อเสด็จไปคงบัจจปัญจระละเราควรจะหาทางป้องกันพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะทรงกริว้วเราก็ไม่ควรที่จะถือเป็นเหตุสําคัญจุดนี้ลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จําไว้นะว่าผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะโกรธแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของชาติทั้งคนทั้งชาติหรือเพื่อประโยชน์ของคนที่มีพระคุณอย่างพระเจ้าวิทยิราชมีพระคุณกรรมโหสต ท่านผู้มีพระคุณอย่างบินดามันดาครัวม า, าจานนะพวกท่านพอให้ฟังรู้ท่านเพื่อเกือ้อกูลเมื่อท่านโกรธเราแล้วเราก็จงอย่าโกรธตอบการไม่โกรธตอบแนดงนิความกตัญญูรู้คุณเป็นของดีกั้งต่อไปนะจ๊ะรู้ว่าพระองค์ทรงมีอุปการะคุงจะเราเนี่ยเขาว่าอย่างไร น, นะเขาวเราก็ไม่ควรจะถือไปเหตุสําคัญเมื่อท่านโกรธ เพราะว่าพระองค์ทรงมีบารการคน้งเรามากเมื่อรำพึงดังนี้แล้วจะงได้นึกหาวิธีที่จะช่วยเหลือป้องกันพระมหากษัตริย์เห็นไหมไม่ใช่แค่ไปนั่งดูถูกดูหมิน่นว่ากษัตริย์มีความรู้ไม่เท่าเราเรามีความรู้ดีกว่านี่คนไทยเรายังมีนะที่มีความรู้สึ่อย่างนี้ แต่ว่าเราจงคิดว่ากาสศัตรูเรานดีหรือไม่ดีจงไหนดูเหตุดูผลไป็นสำคัญเอาว่ากันต่อไปเป็นอนรู้ว่าจะแลวก็จะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการป้องกันกษศัตร์นีงจะทำอะไรบ้างจิงหาวบาย รือว่าต้องการจะรู้เราจะทำทุกอย่างเพื่อต้องการรู้บายขพวะเจ้าจุลนีธรรมทั์และพระอาจารย์เกวัตที่สองคนเนี่ยเขาวางแผนจะทำลายพระชาละราชายของเราแบบไหนนี่จำให้นีนรลูกหลานที่ละข้อว่าแม่ด่าครูตีครูดุผู้บังคับบัญชาตัดเตือนและว่ากล่าวอย่าเพิ่งโกรธ <c oughs> ใช่เหอุแค่ผลเป็นสำคัญเราถือว่าเราปิดทองในลําไส้พระนั่นดีกว่าปิดทองหน้าพระปิดทองหลังพระปิดทองก้นพระมันยังมองเห็นความดีที่เราทำํำเราควรจะทําโดยเฉพาะหวังดีจริงๆไม่หวังโ อ, โอโ้อวดที่เขาบอกว่าปิดทองก้นพระดีตรงตัว่ายังว่าไม่ดีที่ว่าปิดทองที่ในลําไส้พระโดยที่พระไม่เห็นทองนั่นดีกว่าแล้วอื่นไม่เห็นนั่นดีกว่า เราทำเพื่อความดีไม่ทำเพื่อเอาหน้าถ้าคิดอย่างนี้ได้ทุกคนประเทศชาติาเราเจริญเป็นนั้นว่าจะวางแผนการในเรื่องนี้ให้ได้เมื่อติดรองหาช่องทางคนนึกถึงข้อความที่ทูตทหารที่วางไว้ประจำบ้านเมืองบัญจารณ์นครได้เคยส่งข่าวมาบอกว่าวันหนึ่งพระเจ้าจุ น, นันีกับอาจารย์เกวัท ไปปรึกษาหาเรือราชการกระที่ห้องบรรทมปึกษากัอยู่สองต่อสองก็อยากจะรู้ในความว่าปึกษากเรืองอะไรเพราะในห้องบรรทมไม่มีใครเข้าไปได้เลยมีแต่นานกสาริกาซึ่งพระเจ้าจุลีพระมทัดเลี้ยงไว้ในห้องบรรทมเท่านั้นที่จะพอรู้เรือรเร่องทำไมนั่นลกพูดภาษาคนได้ เพื่อมาหสัสดคิดเร่องนี้แล้วจึงได้คิดอ่านที่จะส่งนกแกว้วเป็นนกแกว้วแสนแสนรู้นะไปสืบความลับเจ้นานกสาริกาแต่ถ้าว่าลูกหลานที่รักเรื่องการสืบความลับเห็นจะต้องเอาไว้ก่อนเพราะเวลานี้มองในเวลามันก็ยังหมดเวลาจะรบกวนเวลาของสถานีมากเกินไป เพราะว่าทางสถานีให้โอกาสคณะโปรมาโพยอย่างนี้โดยไม่ต้องเสียงเงินเสียทองก็รู้สึกว่าเป็นพระคุณเป็นความดีของเจ้าหน้าที่สถานีลง้งโปรก็ต้องขอขอบคุณท่านหัวนหน้าและเจ้าหน้าที่คนสถานีวิทยุทั้งหมดแล้วขอตั้งสัตยาทิฏฐานอ้างคนภาษีรัฐนาไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะทั้งสามรายการ ขอจงอธิบาลเจ้าที่สถานีทั้งหมดมีท่านหัหน้าเป็นต้นและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตลอดจนรุ่นหลานที่รักทุกคนให้มีด้วยความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์ภูนผลในจงเจริญไปด้วยากตุรคิธทุกพรชัยทุกสีประการ มีอายุวันณะสุขาพละและบลิตภัณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี